กังใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตากันเบาๆนะจ๊ะหลับตาเบาๆสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วกห็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราอย่างสบาย กะติกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้หรือองค์พระกลางดวงแก้วหยุดเบาๆหรือวางใจสบา ย, บายให้ใจหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งลงไปอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูนะจ๊ะลูกในตาเราก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะมันไม่เกี่ยวกับกายเนื้อในตาเนื้อเราหลับแค่สบายสบายถ้ากังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่เจมากเกินไปก็ ในปัจจุบันกลางกายฐานที่จะขยายออกไปสุดขอบฟ้าถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายใหเราทำใจให้นิ่งๆจะนึกว่าเราอยู่ในองค์พระหรือองค์พระอยู่ในตัวเราก็ได้ค่อยๆ ฝึกกันไปเรื่อยๆทุกๆวันอย่าไปท้อนะจ๊ะต้องขยันฝึกกันไปยิงต่อเราให้โอกาสกับตัวเราเองทำหยุดทำนิ่งทำใจใสๆใจก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องนี้ก็เป็นกิจสำคัญของเรานะจ๊ะ เป็นงานที่แท้จริงสำหรับการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าเวลาจะละโลกก็ตัดสิ่งด้วยบุญด้วยบาปใครใจสายใจหมองถ้าผ่องใสไม่เศร้ามองก็ไปสุคติโลกสวรรค์ถ้าเศร้ามองไม่ผ่องใสก็ไปอบาย จะมีภพภูมิที่รองรับเราอยู่ แ, แต่ละภพภูมิก็จะมีช่วงระยะเวลา ย, ยาวนานมากถ้าสุขก็สุขนานถ้าทุกข์ก็ทุกข์นานทีเดียวนี่เป็นเรื่องราวของชีวิตชีวิตใหม่หลังอยากตายแล้ว แล้วเราต้องตายกันทุกคนและเราก็เคยตายกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่เราก็ลืมไปพอมาเกิดใหม่ก็ลืมอีกเราก็ไม่อยากตายกลัวตายถ้ากลัวตายก็ต้องกลัวให้ถูกหลักวิชาคือสั่งสมบุญกันไว้ให้มันเยอะ ทั้งทานทั้งศีนทั้งภาวนาทำให้มา ก, มากแล้วความกลัวตายก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ากลัวข็ตายไม่กลัวกะตายแต่ว่าเราก็มีความพร้อมที่จะตายยิ่งถ้าหากเราปฏิบัติธรรมได้เห็นดวงใส เห็นองค์พระใสๆความตายนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่าไหร่แม้กายอยากจะทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากวิบากกรรมที่เราทำไว้ในอดีตก็ตามนะมันก็ท ร, รมานในแก่กายยาบแต่ว่าใจนั้นจะผ่องใสเพราะว่า มีดวงธรรมและองค์พระเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่ยึดที่เกาะของใจใจมันจะใสแล้วก็จะดึงดูดทุกๆบุญที่เราได้ทำผ่านมาซึ่งปังบุญแล้วก็ลืมไปนึกไม่ออกมันก็จะมาฉายให้เป็นภาพที่เรียกว่ากรรมนิมิตร ให้เราเห็นได้ชัดเจนทีเดียวด้วยตัวของเราจะเป็นภาพที่ดีบางเกิดขึ้นซึ่งจะนำมาด้่ความปิติความปลื้มความผ่องใสของดวงจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าที่พึ่งดีลระลึกเนี่ยลึกซึ้งคือพึ่งได้ทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เพิ่งได้ในขณะที่กําลังจะหมดชีวิตเพิ่งได้กระทั่งตายแล้วเพิ่งได้ตลอดเวลาเลยคือไปถึงตรงนั้นที่เราก็ถึงดวงธรรมหรือองค์พระใจมันจะใสมันจะสบายความทุกข์มันจะไม่แล่นกลับไป แม่ว่าภายนอกในวัตถุต่างๆเครื่องบริโภคอุปรบริโภคของกินของใช้เราบางครั้งอาจจะอัตคัดขาดแคลนแต่ว่าใจมันจะยังใสอยู่ใจจะใสเราเมื่อถึงทอนถอดกาย เราก็จะไปอย่างสง่างามปัจจุบันนี้เราจะมีกายมนุษย์อยู่เราก็ย้องใช้กายมนุษย์ของเราและสิ่งที่เรามีนี้นะทาแต่ความดีล้นลน ท, ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะจ๊ะตอนชวงนี้ก็ทำใจให้ใสๆห ย, ย, ยุดใจเบาๆนิ่งๆสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นแค่ของอาศัยกันชั่วคราวเท่านั้นแหละจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของมันชั่วคราว เพราะฉะนั้นขอยาไปผูกพันอะไรกันมากมายนักเอาแค่ว่าเพิ่งพาอาศัยไว้สร้างบารมีกันไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องที่ดินรถ ล, ลาสมบัติอะไรพวกนี้ราบยศสเสริมผู้ชั่วคราวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไป หลงทางถ้าหลงทางแล้วแล้วก็มันจะห่างไกลกันการปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ยจะช่วยให้เรามาได้ถูกทางแล้วก็หนทางที่ถูกนี้ก็จะค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราไม่ท้อซสีก่อน เราก็จะค่อยๆเข้าใจไปเหมือนเราบ่มอินทรีย์ของเราบ่มกายบ่มวาจาใจบ่มศรัทธาสติสมาธิปัญญาค่อยๆบ่มไปศัทธาปัญยสติสมาธิปัญญา ถาพูดง่ายๆบ่มกายวา่าใจของเราเนี่ยให้มันค่อยๆแก่รอบขึ้นบ่มไปเรื่อยๆเหมือนการเล่นความสวยของเพชรของพลอยด้วยความร้อนอย่างนั้นแหละบ่มไปเหมือนบ่มผลไ ม, ม้มันสุกงมเพราะฉะนั้นเราหลับตาแล้วมัน ยังมืดมืดอยู่ก็จะไปคิดว่ามันไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลยเรากำลังบ่มอยู่ค่อยๆทำไปมันก็ค่อยๆคุ้นค่อยๆชำนาญไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ค่อยๆสางค่อยๆสว่างค่อยแจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงดวงธรรมองค์พระภายใน ได้เองในภายหลังนั่นแหละค่อยๆบ่มไปหยับๆแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ทำแล้วก็ทำใจให้มันใสๆ